50 languages. 92. n e t y t w o Barnve. Anu prayok. Rong long ma t h i song. Adhin. Upvak. Do. Di h a n Mo ho t h i kun non l o n เมนูโกรธสั ım, oh oti, ่ต oh ุที ve nah ่ตัวซีมาเดย์โฮิฉันโมโหที่คุณดื่มเบียรมากเมนูโกรธสั่นได้ตุทอบพินเดย์โฮฉันโมโหที่คุณมาช้าเมนูโกรธสั่นไดตุซบเดนนัเดย์โฮิฉันคิดว่าเขาต้องการหมอ มนูลักดาเที่อุสนูดอกเตอร์ดีโลดฮ่ิฉันคิดว่าเขาไม่สบายมนูลักดหตที่โอบิมาร์เฮ่ิฉันคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่มนูลักดาเหี่โอ้ฮุนดเรียฮ่เราหวังว่าเขาจะแต่งงานกับลูกสาวของเรา สานุอาส์เฮ้ก่โอซาร์ดีเตินัลวิอาค์เคเรก้าเราหวังว่าเขามีเงินมากสานุอาส์เฮ้กี่อสดเเดกโอลบ๊อดเพสซาเฮเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านสานุอาส์เฮก่โอลักพัติเดิฉันได้ข่าวว่าพรยาของคุณประสบอุบัติเหต मैं सु นีย है कि तुहाडी प ด् न ी नाल हा ลฮाสับ่ดิฉันได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลม้สุนีย์โอห์สปाตาลเวชดิฉันได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคันแม้สุนียหตุที่เทอรีกูรทุีิฉันดีใจที่คุณมา เมนูขุฮิตุซีอดิฉันดีใจที่คุณสนใจเมนูขุ้ยฮ่คิตุฮานดิลสปดิฉันดีใจที่คุณจะซื้อบ้านเมนูขุ้ยฮ่คิตุซีครดนาจันเดโฮดิฉันเกรงว่ารถประจำทางคันสุดท้ายไปแล้ว เมนูอภสูษคือว่ารถบัสที่สุดท้ายไปแล้ว